ที่ผ่านมาเราได้ไปสี่อนุตรยะแล้วนะข้อแรกทัศนานุตรยะข้อ2สวนานุตรยะข้อสลาภานุตรยะข้อสี่ศิขานุตรยะมาขึ้นข้อห้านะปาริจริยานุตรยะหมายถึงการบำรุงการบำรุงอันประเสริฐในหน้าหนึ่งร้กล่าวว่าก็ปาริจริยานุตรยะเป็นอย่างไร ดูความพิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมบำรุงกษัตริย์บ้างพร า, มาหมณ์บ้างขึ้ราบดีบ้างก็หรือว่าย่อมบำรุงบุคคลชั้นสูงและชั้นต่ำหรือย่อมบำรุงสมณพราหมณ์ผู้มีความเห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูความพิสูจทั้งหลายการบำรุงนี้มีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าการบำรุงไม่มี คือการบำรุงการรับใช้ทั่วไปก็มีนะไม่ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรแต่ว่าการบำรุงนั้นเป็นการบำรุงที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ใช่ไหมไม่เพราะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ได้เป็นไปเพื่อ น, นิพธามไม่ได้เป็นไปเพื่อวิราคะนิโรธะสมโภทะนินะนิพานายะก็คือไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสนาชานพิญญามักผลอะไร ดูความพิสูจนทั้งหลายก็แต่ว่าบุคคลใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งย่อมบำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตดูความพิสูจนทั้งหลายการบำรุงนี้ประเสริฐกว่าการบำรุงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกกะปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญยาตธรรมคืออริยมรรคเพื่อทําพระนิพพานให้แจง้งดูความพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมบํารงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าปาริจริยานุตริยะเนี่ยคําว่าบํารงพระตถาคตในที่นี้เราต้องไปบีบไปนวดพระพุทธเจ้าไหมไม่ต้องใช่ไหม ต้องไปถวายน้ําถวายข้าวต้องไปทําอะไรไหมไม่ต้องแล้วบํารุงยังไงก็คือบํารุงด้วยการศึกษาศึกษาตามศิกขาที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละเรียกว่าการบํารุงพระพุทธเจ้าก็คือพยายามปฏิบัติตามคําสอนา น, นผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนก็ชื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าอย่างที่สุดแล้วพระองค์ไม่ไม่สรรเสริญอมิตรบูชาเพราะว่าการทําอมิตรบูชานั้น ไม่สามารถรักษาคำสอนของพระองค์ไว้ได้เนี่ย น, นะโดยลำพังอ่ะนะแม้กระทั่งอมิตรมากๆเนี่ยสีละสิกขายังอยู่ไหมอะถ้าวัตถุ ก, กรรมเยอะๆเนี่ยนะบูชาเนี่ยสมมุติสถานที่ลานพระเจดีย์ปูแต่เพชรแต่ทองพลอยหมดเ่ยนะคิดว่าสีละสิกขาจะมีไหมศีลสิกขายังไม่ได้จะกล่าวไปลายถึงสิกขาชั้นสูงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจึงเน้นให้บำรุงพระองค์ด้วยการ ปฏิบัตินั้นพาตหารเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้บำรุงหรือผู้บำเรอพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนทุกประการเนี่ยนะพระพุทธเจ้าประสงค์ให้ทําสิ่งใดก็ก็ทําสิ่งนั้นทําจนเรียกว่าถึงที่สุดที่พระองค์ต้องการกเรียกว่าทํากิจในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ท่านเหล่านั้นนะถ้าเป็นพาตอาหารทุกรูปทุกท่านท่านจะบอกว่าท่านทํากิจในพระศาสนาเสร็จแล้วเนี่ยนะ ของเราในศาสนานี้เราได้ทํากิจอะไรแล้วบ้างนี่นนะคือได้ลงศึกษาหรือยังได้ลงหมายความว่าได้ลงศึกขาจริงๆหรือยังั น, นะถ้าอย่างที่คุณหมอกล่าวเมื่อกี้ก็น่าชื่นใจนะว่าถ้ามันไปทําอย่างนี้ได้ก็นั่นแหละถ้าจบการศึกษาเมื่อไหร่ก็ถือว่าจบวัตตะอย่างแท้จริงซึ่งจะต่างจากการศึกษาแบบชาวโลกใช่ไหมชาวโลกนั้นเป็นวิชาที่ไม่มีจบมีสิ้นสมัยหนึ่งชมว่าดีอีกสมัยหนึ่งก็ช ม, มว่าเลวอันนะ้นก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปด้วย แต่คําสอนของพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วตรัสรู้อย่างไรองค์ทุกวันก็ตรัสรู้เช่นนั้นองค์ที่จะมีใหม่ต่อไปในอนาคตก็ตรัสรู้เช่นเดียวกันเลยเรียกว่าพระตถ า, าคตพั้งผู้ใดที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาถึงศึกษาในาศาสนาองค์นี้ก็เบาถ้าศึกษาในาศาสนาองค์นี้ไว้ดีองค์ต่อไปก็เบา เนี่ยนะก็ก็ไม่หนักไม่ใช่ภาระกลับเป็นผู้ที่มีความสุขเนี่ยนะนะแล้วก็การศึกษาพระธรรมคําสอนในพระศาสนาเนี่ยเป็นการศึกษาที่จบจริงจบจริงเนี่ยทางธรรมะเรียกว่าอาเซขาธรรมาหรืออาเซขาธรรมมีธรรมะอันศึกษาแล้วหรือมีการศึกษาอันเจริญถึงที่สุดแล้วที่เราเรียกนิยมเรียกว่าจบการศึกษาอย่างอย่างแท้จริงทัา น, นถ้าเป็นท่าอรหันต์แล้วก็จบจริงๆแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นก็ ก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ม, ม, มีจบอ่ะนะไม่มีจบจริงๆเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำเนี่ยอย่างสมมติทวารตาเราลืมตาขึ้นเนี่ยนะเราได้รู้ยิ่งอะไรบ้างแล้วเนี่ยกำหนดรู้อะไรละอะไรเจริญอะไรทําให้แจ้งอะไรพอที่เรียกว่ามันจบอย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะจบอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องจบทุกทวารกับทุกอารมณ์เนี่ยนะจบทุกทวารทุกอารมณ์ไม่มีความสงสัยในการรู้ยิ่งไม่มีการสงสัยในการกําหนดรู้ในการละการเจริญการ ทำให้แจ้งยิ่งผ่าระยะเนี่ยไม่ใช่ภาระของท่านเลยคือหมายความว่าไม่ไม่ได้เป็นการยุ่งยากสําหรับท่านที่จะเข้าสมาบัติเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยถ้ายิ่งแบบพระพุทธเจ้าด้วยนะประชาชนอนุโมทนาพระองค์ยังเข้าสมาบัติได้ไม่ได้มานั่งฟังเสียงะเขาอนุโมทนาลอกพระองค์เข้าสมาบัติแล้วเนี่ยนะท่า น, นจะเห็นว่าถ้ามีการศึกษาอย่างจบอย่างแท้จริงนั้นก็เถอว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริง พระพุทธศาสนากล่าวถึงทุกข์ก็จริงใช่ไหมแต่ว่าเป็นทุกข์ของอุปาทานขันธ์ห้าท่านสรรเสริญสุขใช่สุขในมรรคผลนิพพานท่านสนรเสริญสุขประเภทนั้นเพราะอะไรเพราะสุขเหล่านั้นไม่มีโทษอันผู้ที่ปฏิบัติเป็นผู้รับใช้บำรุงบำเรอพระพุทธเจ้าจริงนั้นน่ะก็ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนให้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงใช่ อย่างพ่อแม่บางคนเขาพูดถึงลูกหลานเขาอะนะแค่ลูกตั้งใจเรียนทำตัวดีเนี่ยนะนั่นก็ถือว่ารับใช้พ่อแม่อย่างดีแล้วนะไม่ต้องไปทำอย่างอื่นหรอกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนั้นการบำรุงการบำเรอการรับใช้พระ อ, องค์จริงๆก็พยายามปฏิบัติตามที่พระ อ, องค์สอนก็ถือถ้าเรียกว่าพระ อ, องค์พอใจแล้วพระ อ, องค์อนุโมทนาด้วยแล้วเนี่ยนะของเราก็จเจริญจนกว่ามั่นใจว่าพระ อ, องค์ต้องอนุโมทนาแน่ ะเจริญพุทธคุณให้มากมากนะรู้คุณของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์ต้องอนุโมทนาแน่เคยอ่านเจอในคำพิีพ์ไหมก็บอกนี่นะถ้าพระ อ, องค์ยังมีพระชนอยู่นะอาจจะเอื้อมือข้ามสมุดมารูปเสีย อ, อสาธุเนี่ยนะของเราเนี่ยถ้ขนาดนั้นมั่นใจไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้าอรหันนี้แปลว่าใกล้แต่คนดีใช่ไหมคนดีก็ไม่ทอดทิ้งผ้าอรหรันถ้าเราดีจริงเราก็มั่นใจว่าเราใกล้ชิดผ้าอรหันจริงๆก็ทั้นที่เรา ศาตร์ทั้งหลายโดยปกติก็ไม่มีใครบริสุทธิ์มาแต่เกิดอะไรหรอกความบริสุทธิ์นี่อยู่ที่การชำระใช่ไหมอยู่ที่การชำระพระของเราทั้งหลายไม่มีใครได้ทําเท่ากับพระ อ, องค์คุลิมานมาหรอกเนี่ยนะทำไมเราจะชำระไม่ได้ใช่ไหมเพียนชำระจิตไม่ให้มันเศร้าหมองเราทั้งหลายเคยเป็นมิจฉาทิฏฐิขนาดว่าต่อต้านพระพุทธเจ้าเรียกว่าร้อยแปดดีองศาเลยนะปฏิเสธไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่นับถือเลยพูดถึงพระพุทธเจ้าแทบจะปิดหูเราเคยขนาดนั้นไหม ไม่มีสมัยก่อนเขามีอ่ะตอนหลังเขาก็ยังดีได้แล้วของเราไม่ได้ไปเร็วชั่วซ้าเร็วซามอะไรขนาดนั้นอ่ะ น, นะทําไมเราจะนับถือพระองค์ไม่ได้ทําไมเราจะมีใจน้อมไปหาพระองค์ไม่ได้แล้วพระองค์ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนใจไม้ใส่ระ ก, กรรมเป็นคนขี้โกรธผูกพยาบาทแกนะแกเคยว่าฉันแกเคยไม่ปฏิบัติตามฉันแกจงไปอย่ามาไม่นี่ พระองค์ม ot ีแต่ม um> ีเมตตาตลอดเนี่ยนะเกียดเว้นไว้แต่ว่าเราขาดเมตตาต่อตัวเองก็เลยไม่ยอมรับต่อพระพุทธเจ้าเพระองค์นี้เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกจริงๆเนี่ยนะอุปมาเหมือนกับอะไรแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยยังประโยชน์สุขให้แก่สรรพสัตว์โดยส่วนเดียวฉันใดพระองค์ก็เป็นประดุลแผ่นดินเพราะยังประโยชน์สุขให้แก่สรรพสัตว์แสงสว่างมีเพื่อประโยชน์ให้คนมีจักษุมองเห็นรูปฉันใดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็เพื่อ ชี้ทางให้ศัพท์ทั้งหลายฉันนั้นเมื่อพระองค์ทํากิจสองสว่างเสร็จพระองค์ก็ล่วงลับดับขันอันนี้ถือว่าเป็นปกติของโลกนะนะโลกสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละอั น, นพระองค์ผู้มีคุณเช่นนั้นถ้าเราได้มีโอกาสารับใช้พระองค์ด้วยการศิกขาสามเนี่ยนะด้วยการปฏิบัติตามเท่าตามสติตามกําลังของเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสุดยอดของการบํารุงการรับใช้พระองค์แล้วนะ ถือว่าเราเนี่ยเป็นการได้การบำรุงบำเรออย่างเยี่ยมเลยนะต่อไปก็อนุสตาอนุตริยะเป็นอย่างไรดูความพิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมระลึกถึงการได้บุตรบ้างการได้ภริยาบ้างการได้ทรัพย์บ้างก็หรือว่าย่อมระลึกถึงการได้มากบ้างน้อยบ้างระลึกถึงลาบต่างๆนะได้ได้เยอะไ ด, ได้น้อยเนี่ยหรือระลึกถึงสมณพราหมณ์ผู้มีความเห็นผิดผู้ปฏิบัติผิด ดูความพิสูจทั้งหลายการระลึกถึงนี้มีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าการระลึกถึงนี้ไม่มีดูความพิสูจทั้งหลายแต่ว่าการระลึกถึงนี้นั่นแหลเป็นการระลึกถึงอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อน่ายนะไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อนายคลายกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับรู้ยิ่งตรัสรู้ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพาน์ดูความพิสูจทั้งหลาย ก็แต่ว่าบุคคลใดแลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตดยกว่าพิสูจน์ทั้งหลายการระลึกถึงนี่แลประเสริฐกว่าการระลึกถึงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศาสตร์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกกะปริเทวะเป็นไปเพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมนัทเพื่อทําให้แจ้ง ะนะเพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานดูก่รพี่สุตทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าอนุสตานุตริย ะ, ะนะเป็นการตาม ล, ลึกชั้นยอดจริงๆก็คิดดูนะการระลึกถึงทรัพย์สินทั่วๆไปเนี่ยยิ่งระลึกยิ่งร้อนใช่ไหมระลึกตอนแรกอาจจะดีใจนะ แลลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็สำนวนว่านั่งคิดทรัพย์สินตัวเองเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดเลยนะคิดว่าจะมีความสุขเลยใช่ไหมเป็นไหมใครที่มีทรัพย์สินมีเสื้อผ้ากี่ตัวนั่งนับเลยมีรองเท้ากี่คู่นั่งนึกไปเรื่อยๆเลยนะมีรถกี่คันมีบ้านเท่าไรมีที่ดินอยู่กี่แปลงลึกนั่งนึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆถามว่าจะดีใจหรือจะเสียใจอ่นะคิดว่าจะมีความสุขหรือคิดไปคิดมาก็บอกมี คนไข่ไปหาจิตแพทย์คนหนึ่งก็บอกนึกไปเขบอกเขามีถ้าบอกมีแค่สิบล้านก็ว่ากงั้นทําไมเขาทุนเสียใจบอกมันน้อยกว่าเพื่อนอะ่ะเพื่อนเขามีเป็นร้อยล้านกันทั้งนั้นเลยทุกเขามีน้อยกว่าเพื่อนเท่านั้นเองนะอยากฆ่าตัวตายมากเหมาะนั้นเยเป็นเอามากขนาดนั้นอ่ะเขาบอกมีมากกว่าหมออีกเหมืนงั้นแต่ก็ขนาดนั้นก็ยังไม่ได้สงบสุขอะไรเนี่ยเลยอมคนหนึ่งก็บอกบ้านเขามีแอร์สิบแปดตัวแต่ว่าอยู่ไม่ได้มันร้อนรนกรวนกวายต้องไปอยู่ที่วัดเหมนงั้น พออันโน่นก็ไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ใช้ไม่ได้อันโน่นก็ดูจะเสียหายพวกนี้ไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักรักษาโวยวายใหญ่เลยนะเดือดร้อนนอนไม่หลับก็ก็โดยมากก็ต้องไปอยู่ที่วัดอนะจะได้สงบพระ บ, บ้างบ้านปิดแอร์สิบแปดตัวไม่ได้เย็นอะไรเลยนะพอจะยิ่งระลึกไปมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนัสขึ้นเท่านั้นนะถ้ามีลูกน้องสักห้าสิบคนเลยเนี่ยนะคิดว่าจะนึกแล้วมีความสุขเลยไหม นึกถึงไอ้คนที่หนึ่งก็แล้วไอ้คนที่หนึ่งติดเล่าไอ้คนที่สองติดยาไอ้คนที่สามติดการตนานไอ้คนที่สี่นะติดหนี้สินไอ้คนที่ห้ากำลังมีเรื่องไอ้นคนที่หกวุ่นวายอย่างเงี้ยไงไอ้คนโน้นกับปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนเนี่ยนะนั่งยึดไปยิ่งทูกไปเท่านั้นนะนะก็บอกอเครียดขนาดยนะังงั้นเพราะฉะนั้นผู้ผู้การละลึกถึงการได้เหล่านี้จึงไม่ได้เป็นความประเสริฐอย่างแท้จริงอันนะเป็นอนุสติที่ไม่มีประโยชน์นะนะเป็นหรือประโยชน์ไม่มากนะักอันนะั ก็ก็คืออนุสติหกนะยก็ยกเฉพาะพุทธานุสติคือเอาหลักๆ ก, ก่อนเอาเด่นๆก่อนเพราะว่าบุคคลเมื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็เชื่อว่าระลึกถึงพระธรรมได้เมื่อระลึกถึงพระธรรมได้นั่นแหละจึงเข้าใจพระสงฆ์เนะเมื่อระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะก็เพราะอะไรเพราะว่าบุคคลนั้นแสดงว่ามีมีศีลได้รับประโยชน์จากพระร h n a ตรัยด้วยความที่ตัวเองตั้งมั่นอยู่ในศีขาเป็นต้นเนี่ยนะ แล้วก็ตัวเองได้เคยทําพุทธบูชาเช่นให้ทานทําพุทธบูชามามากจึงสา ม, มารถ ล, ละลึกได้ก็ยกมาข้งสองประการถ้าเราคิดดูดีๆนะว่าถ้าเราละลึกถึงคนทั่วๆไปเนี่ยนะเดี๋ยวก็นึกถึงคนนั่นบ้างนึกถึงคนนี้บ้างถ้าเราลึกถึงท่ารุยะเท่าเนะ่าเท่ากันละลึกถึงคนทั่วๆไปนะคิดว่าน่าจะ้นทุกข์ไหมน่าทนทุกข์เลยนะหรือถ้าใครมีลูกก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเท่ากับคิดถึงลูกนี่ก็ได้ดีเยอะแล้ว แต่ hey, บางคนอาจจะไม่ค่อยระลึกกันนะแต่ว่านี่พูดถึงว่าคนที่ค่อนข้างผูกพันกับอะไรเนี่ยนะถ้ามีใจผูกพันระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกอยู่เสมอเนี่ยอย่างไรพ้นทุกข์เป็นแน่ใช่ไหมถามว่าทําไมจึงพ้นทุกข์รู้ไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พฤติกรรมทุกอย่างของพระองค์ปฏิบัติเพื่อพระองค์พ้นทุกข์แล้วก็เพื่อจะได้ช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์เราก็จะเริ่มเห็นแนวทางเห็นข้อปฏิบัติเพื่อความ พนทุกเนี่ยนะยิ่งตามระลึกเท่าไหร่ช่องทางเพื่อความดับทุกขเรายิ่งมองเห็นเนี่ยนะแม้กระทั่งระลึกถึงภาษาวกทั้งหลายมีภาษารีบุตรพระโมคขลานะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราตามระลึกถึงท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความท้นทุกในขณะเดียวกันท่านก็ยังช่วยพระพุทธเจ้าสงเคราะห์สัตว์อื่นให้ถึงความทนทุกเนี่ยนะอันการที่เราตามระลึกถึงคุณของพระรัตนะตรัยเนี่ยชื่อว่าเป็นการระลึกที่ ที่ยิ่งใหญ่มากไม่มีการระลึอกอื่นอยาที่จะยิ่งกว่านี้อีกแล้วทบทวนนะว่าไม่มีการเห็นใดเสมอด้วยการเห็นพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตการเห็นอย่างอื่นถือว่าไม่ดีจริงไม่ดีจริงการเห็นเป็นต้นเหล่านั้นก็มีอยู่แต่ไม่ดีจริง